ขอโอกาสจากพระอาจารย์สูงศิน์นะแล้วก็ขอโอกาสจากเพื่อนสาธมิกเจริญพรมายังไม่ชีแล้วก็พวกเราญาติธรรมทั้งหลาย เราเกิดมาเนาะเกิดมาก็เพื่อทําความดีกันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเป้าหมายอื่นๆมากกว่านี้คือถ้าเกิดว่าเราไม่มีเป้าหมายเพื่อทําความดีกันการเกิดมาก็จะเป็นการที่เรียกว่าเปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์เพราะว่าเนื่องจากในโลกก็มีเนาะสัตว์โลกเยอะแยะไปหมดเลยที่เกิดขึ้นมากันแต่ว่าสัตว์โลกต่างๆทั้งหลายไม่มีโอกาสทำดีเนื่องจากว่าสัตว์โลกทั้งหลายก็เกิดมาก็เป็นไปตามสรรทัศนาชยานก็มีการกินอยู่หลับนอนเนาะมีง่วงมีหิวแล้วมีความพยายามในการดำรงชีวิตต่างๆก็อันนั้นก็เป็นไป ตามเขเรียกว่าตามธรรมดาของสัตว์โลกกันแต่ว่าคนเราก็มีพิเศษอันหนึ่งก็คือมีความสามารถเนาะที่จะสร้างธรรมนะคุณงามความดีตรงนี้ได้เพราะนั้นนั่นคือเราเองเนี่ยเราก็เกิดมาเราก็ต้องทาอย่างนี้ไม่มีเขาเรียกว่าไม่ต้องถามคำถามอื่นๆกับตัวเองว่าเกิดมาทำไมทำไมต้องเกิดมา อะไรต่างๆนานาแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมีเป้าหมายไปเลยนะเป้าหมายไปเลยเกิดมาเพื่อทำความดีถ้าหากว่าเราได้มีเป้าหมายอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องห่วงเนาะเขาเรียกว่าไม่ต้องห่วงว่าชาติหน้าจะเป็นยังไงเพราะถ้าหากว่าเราไม่ได้มีเป้าหมายอันนี้เนี่ยเาเรียกว่ากิจกรรมที่เราจะทำทุกๆวันเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอกุศลถ้าหากว่าเราปล่อยให้การดาเนินชีวิตของเราถูกอกุศลเข้าครอบงำเนี่ย mm hmm. ก็เรียกว่าชีวิตของเราก็ตกต่ำไปเรื่อยๆตกต่าไปเรื่อยๆชาติหน้าก็จะเป็นก็เรียกว่าก็อาจจะตกนรกหมกไหมอะไรไปทานองนั้นเพราะฉะนั้นนึงคือตรงเนี้ยเนาะเวลาที่เรา มีชีวิตอยู่บางทีเราก็อาจจะบิดตกเนาะว่าเอ๊ะชาติหน้าจะเป็นยังไงอะไรต่างๆนานาเหล่านี้แล้วบางทีก็ยังกลัวเนาะกลัวที่จะตายกลัวที่จะก็เรียกว่าคิดไปต่างๆนาน า, นาว่าชาติหน้าจะเป็นยังไงแต่ว่านั่นคือถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราถูกความคิดทำนองนี้เนี่ยเข้าครอกนานั่นแสดงว่าชีวิตของเราเนี่ยอาจจะ มีกรรมเนาะการหรือการกระทาที่เป็นอกุศลมากกว่าทำให้เราเนี่ยก็เหมือนกับสรุปรวมรวมหรือว่ามองภาพรวมรวมชีวิตของเราดำเนินไปดูท่าว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักเพราะนั้นคือตรงเนี้ยเนาะว่าโอกาสที่พวกเรามาเข้ามาอยู่ในเ็าเรียกว่าวัดปาสุกโตเนี่ยการทำกรรมฐานเนี่ย คำพักกรรมฐานเนี่ยก็คือไม่ใช่อะไรมากไปกว่าการกระทำเนาะที่จะเป็นฐานเนี่ยที่เราใ ห, ให้เราได้ทำคุณงามความดีตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญคำว่ากรรมฐานอาจจะเป็นภาษาบาลีอาจจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้สัมผัสไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องพอมีคำว่ากรรมฐานก็ดูยุ่ ง, ย, งยากๆแต่จริงๆแล้วกรรมฐานก็เป็นเรื่องง่ายที่สุดเลยเนาะเป็นฐาน ของการกระทำ เ, ะเพื่อให้เราได้ทำแต่คุณงามความดีกันเพราะนั้นคือตรงนี้เนาะในขณะที่เราทำกรรมฐานด้วยการใช้อาศัยกายเคลื่อนไหวเอาใจมารับรู้เนี่ยตรงนี้นี่หละคือก็เรียกว่าฐานของการทำดีที่เป็นที่สุดที่พุทธเจ้าเนี่ยได้มอบมาให้เพราะว่านั้นคือพพุทธเจ้าเองเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องการไม่เบียดเบียนตัวเองเนาะการไม่เบียดเบียนผู้อื่น ตรงนี้การพูดอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่บางทีชีวิตของเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าบางทีเราทําความดีแล้วเนาะก็พยายามทําความดีแต่ว่าทํางนองเดียวกันตัวเราเองก็มีความรู้สึกว่าบังทีก็ต้องอดทนบางทีก็ต้องทนลำบากบางทีก็ต้องเสียสละตรงนั้นหมายถึงว่าการทาความดีของเราเนาะในขณะที่เราทาให้คนอื่น เราเองก็เลียดเบียนตัวเองอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสันเสริญแต่ว่าในขณะที่เราทำกรรมฐานเนี่ยตรงนี้หลวงพ่อผมเขียนก็จะสรุปเอาไว้ว่าการทำกรรมฐานก็คือการที่เราเนี่ยรับผิดชอบตัวเองเนาะถ้าเรารับผิดชอบตัวเองได้เนี่ยเราจะไม่ทำให้ตัวเองทุกข์ถ้าเราไม่ทำให้ตัวเองทุกข์เนี่ยคนอื่นก็ไม่ทุกข์ไปกับการกระทาของเรา อย่างตอนที่หลวงพ่อคำเขียนป่วยนะก็มีพระอีกรูปหนึ่งที่ก็เข้าไปได้สัมพันธ์กับท่านท่านก็ป่วยเหมือนกันพอหลวงพ่อกําเขียนป่วยท่านก็บอกบอกว่าสงสัยท่านเองจะป่วยเหมือนหลวงพ่อกําเขียนคําว่าเหมือนหมายถึงว่าตอนนั้นหลวงพ่อเป็นมะเร็งที่ เป็นมะเร็งที่ต่อมน้ําเหลืองเนาะท่านก็บอกบอกว่าสงสัยท่านจะเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ําเหลืองเหมือนกันตรงนี้เนี่ยเนาะในขณะที่ตอนที่หลวงพ่อป่วยหลวงพ่อก็บอกบอกว่าอืมความเจ็บป่วยของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อยกให้หมอไปหมดเลยเนาะเพราะว่าหมอเนี่ยเขารู้ดีเนาะเราไม่ต้องยุ่งอะไรเลยเพราะว่าถ้าหากว่า หมอเนี่ยเขาได้เรียนมาเนาะบอกว่าถ้าเขาเรียนมาเขาก็ต้องรู้รู้ว่าเขาควรจะต้องทำยังไงกับความเจ็บป่วยอันนี้นั่นนั่นคือตรงเนี้ยหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อยกความเจ็บป่วยเนี้ยให้หมอก็ไปทั้งหมดเราเนี่ยคนไข้เพียงแค่ทำอย่างเดียวคือทำตามที่หมอก็บอกหมอก็อยางให้เราทำอะไรยังไงเราก็ทำตามนั้นหมอก็ให้ทำอะไรเราก็ทำตามนั้นก็ไม่ต้อง คอยถามเขาว่าเมื่อไหร่จะหายหรือเดี๋ยวจะทําอะไรกับเราอีกหรืออะไรต่างๆนานาเหล่านั้นเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยเนาะนี่ณวันนั้นหลวงพ่อป่วยหลวงพ่อก็มีเขาเรียกว่ามีการกระทําเป็นอย่างนี้แต่ในขณะที่พระอีกรูปหนึ่งเนาะท่านก็บอกว่าเออสงสัยว่าท่านเนี่ยเนาะแบบว่าจะเป็นมะเร็งในต่อมน้ําเหลืองเหมือนหลวงพ่อ เออเราเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงเนาะเราเนี่ยเออเป็นยังไงกันแบบจะเป็นอะไรมากไปกว่านี้ไหมจะเป็นจะตายเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยตรงเนี้ยเนาะเรามองดูว่าในขณะที่ท่านเองท่านคิดอย่างนี้เนาะแบบตัวท่านเองก็ทุกเนาะคนรอบข้างก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นอะไรยังไงท่านเป็นหนักหนาแค่ไหนคนรอบข้างก็ทุกไปด้วยแต่ในขณะที่หลวงพ่อเนาะหลวงพ่อก็เกียนซึ่งเป็นเขาเรียกประทานสง หรือเป็นผู้ให้กรรมาฐานกับพวกเราที่อยู่ในวัดป่าสุกตโตเนี่ยท่านก็บอกว่าความเจ็บป่วยเนี่ยยกให้มอไปหมดเลยตัวท่านเองท่านก็ไม่ทุกเนาะแล้วก็ในขณะเดียวกันผู้ที่ดูแลรอบข้างก็ไม่ทุกไปด้วยเพราะเนื่นองจากว่าท่านก็บอกบอกว่าหลวงพ่อเนาะถึงหลวงพ่อหายหลวงพ่อก็ตายเนี่ยตรงเนี้ยเนาะนี่คือสิ่งที่ความรับผิดชอบ นี่คือความรับผิดชอบตัวเองในขณะที่หนึ่งคนเนาะรับผิดชอบตัวเองไม่ได้เนาะก็ทำให้ตัวเองเนี่ยทุกข์แต่อีกคนเนี่ยที่รับผิดชอบตัวเองได้เนาะก็ทำให้ตัวเองไม่ทุกข์เพราะนั้นก็คือตรงเนี้ยนะว่ากรรมฐานเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่านี้แต่ว่าทำไมไม่ใช่ทำไมนะต้องขอไปทำยังไงเราถึงจะรับผิดชอบตัวเองได้เพียงแค่การยกมือไปเอามือมา หรือว่าเพียงแค่การที่เราเนี่ยดูกายเคลื่อนไหวแล้วก็เอาใจมาคอยรับลูกเนี่ยจะทําให้เรารับผิดชอบอะไรได้หรือเปล่าเพราะว่าในขณะที่เรากำลังทําอย่างนี้อยู่เนี่ยหลายคนก็อาจจะคิดเนาะว่าเราก็ต้องมีลูกที่เราต้องรับผิดชอบอยู่เราจะต้องมีการงานที่เราต้องรับผิดชอบอยู่เราต้องมีแผนงานที่เราต้องรับผิดชอบอยู่อะไรเยอะแยะไปหมดเลย แต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็ให้พวกเราใจเย็นๆ เ, เพราะเนื่องจากว่าในขณะที่พวกเรากําลังหัดเนาะกำมะถันกันเนี่ยก็คือหัดการกระทําอย่างใหม่เนาะหัดการกระทําอย่างใหม่ที่จะทําให้ตัวเราตัวเราเองเนี่ยมีทุกข์น้อยลงจนกระทั่งถึงไม่มีทุกข์ในที่สุดเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญเพราะเนื่องจากว่าชีวิตของเราที่ผ่านมาเนี่ย การกระทำทุกการกระทำของเราเนี่ยมักจะเป็นการกระทำที่หาทุกข์ใส่ตัวการกระทำทุกการกระทำของเราหมายถึงว่าสิ่งที่เราสร้างทำขึ้นเนาะก็เป็นเรื่องของการหาทุกข์ใส่ตัวคือชีวิตเราเนี่ยการกินอยู่หลับนอนเนาะการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเหลียวซ้ายแลกขวามองไปทางนั้นหรือมองไปทางนี้เนี่ยพวกเราลองสังเกตดูเนาะพวกเราก็มักจะพกเอาความ พอใจไม่พอใจเอาความชอบเอาความไม่ชอบเนี่ยใส่เข้าไปเนาะก่อนที่จะเกิดการกระทำมันนั้นหรือว่าเมื่อเกิดการกระทําันนั้นก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าพอใจไม่พอใจเนี่ยตามมาตลอดทุกครั้งตรงนั้นะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเมื่อเราใส่ความพอใจเข้าไปความไม่พอใจเข้าไปความชอบความไม่ชอบความใช่ความไม่ใช่ความถูกความผิด สิ่งนตานาณาเหล่านั้นคือสิ่งที่จะตามมาซึ่งความทุกข์ทั้งหมดไม่มากก็น้อยสิ่งนาตานเหล่านั้นจะตามมาซึ่งความเดือดเนื้อล้นใจทั้งหมดไม่มากก็น้อยเพราะเมื่อเราถูกความชอบความไม่ชอบความถูกความผิดกํากับนะเราก็จะทําไปตามความคิดเช่นนั้นเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยนะว่าให้พวกเราเนี่ยได้สังเกตดู การกระทำที่ตำตามความถูกความผิดต่างๆความชอบความไม่ชอบต่างๆเนี่ยให้พวกเราสังเกต ด, ดูจะเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจไม่มากก็น้อยนั่นคือความเดือดเนื้อร้อนใจไม่มากก็น้อยนี่คือความทุกข์เนาะที่เราชอบที่จะหาก็ามาใส่ตัวเราเพราะนั้นการกระทำของเราเนี่ยตรงเนี้ยกรรมาฐานเนี่ยที่ให้พวกเราเนี่ยได้หัดเนาะหัดกันใหม่ก็คือ เมื่อกายเคลื่อนไหม่ก็เอาใจมาคอยรับรู้เมื่อกายเคลื่อนไหมก็เอาใจมาคอยรับรู้ตรงเนี้จะเป็นกรรมฐานที่สําคัญเพราะว่าเนื่องจากว่าในขณะที่ใจเราเนาะไปติดความชอบความชังใจเราไปติดความผิดความถูกตรงนี้เนี่ยใจเราเนาะก็จะก็เรียกว่าหลงไปกับเนาะความคิดเช่นนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยเอาใจกลับมาเนาะอยู่กับนึ้กับตัว ใจเราก็จะไม่ไปเ็าเรียกว่าไปติดอยู่กับความคิดผิดคิดถูกคิดชอบคิดชังตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าให้พวกเราสังเกตเนาะให้พวกเราสังเกตกันว่าใจเราจะทำงานได้เพียงแค่แบบวาาครั้งละหนึ่งอย่างเท่านั้นสมมติทางว่าพวกเราเนาะไปไหนกับเพื่อนเดินทางกันไปหรือว่าเดินทางมามัดป่าสุกโตเนาะ พวกเราบางคลอาจจะเดินทางเคยเดินทางมาแล้วเนาะเราก็อาจจะเห็นตรงนั้นน่าสนใจอาจจะเห็นตรงนี้น่าสนใจเราก็อาจจะบอกเพื่อนเอาไว้มาเออเดี๋ยวค่อยดูนะตรงนั้นมีอันนั้นตรงนี้มีอันนี้เนาะอาจจะมีตรงนั้นอันนี้มีของขายตรงนั้นมีสับ ป, ปะรดอะไรก็ตามต่างๆนานาแต่ว่าในขณะการเดินทางผ่านไปเนาะเราก็อาจจะมีการพูดคุยกันต่างๆนานาที่ติดพันออกรถกันไปก็ผ่าน สถานที่ต่างๆที่ตั้งใจจะดูกันไปโดยที่เราก็ลืมไปโอ้เมื่อกี้ผ่านมาแล้วนะลืมชี้ให้ดูอะไรต่างๆตัวนั้นมันหมายความว่าในขณะที่ใจเรากำลังติดพันอยู่กับการพูดคุยใจเราก็ไม่มีโอกาสสนใจในสิ่งที่เรามากหมายเอาไว้นั่นนั่นคือตรงเนี้ยเนาะพวกเราจะเห็นได้ว่าใจเราเนี่ยจะทำงานได้ทีละครั้งทีละครั้งเพราะนั้นถ้าหากว่าพวกเราเนี่ย เอาใจเนาะมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายใจก็จะไม่ตกไปอยู่ในห่วงของความคิดหลวงพ่อเทียนบอกว่าความคิดเนี่ยเป็นเาเรียกว่าเป็นต้นเหตุแห่งทุกเนาะเป็นต้นเหตุแห่งทุกหรือเป็นสมุทัยในอญญริยสัจสีเนาะหลังจากที่เราแบบว่าได้ รับคำสอนของพระพุทธเจ้านะว่า อ, อริยสัจสเนี่ยคือความจริงเนาะทั้งสี่ที่จะทําให้คนเนี่ยหลุดพ้นจากความทุกข์เนาะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จากการที่หนึ่งเนี่ยเรารู้ว่าทุกข์ในตัวของเราเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างเนาะทุกข์ในตัวของเราก็คือทุกข์จากการคิดเนาะหรือว่าทุกข์จากความเป็นไปของร่างกาย ตรงนี้เนี่ยความทุกข์เนี่ยแบ่งออกเป็นสองอย่างใหญ่ๆไม่มีอะไรมากไปกว่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายเนาะจะเป็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอะไรต่างๆนานเหล่านั้นก็เป็นเรื่องที่ทาให้เราทุกข์กันหรือว่าทุกข์ที่เกิดจากความคิดก็คือสิ่งที่เราคิดไปข้างหลังคิดไปข้างหน้าเนาะพวกเนี่ยเนาะก็จะเป็นสิ่งที่เป็นหลักใหญ่ๆที่ทำให้เราทุกข์กัน ไม่ว่าเราจะคิดอยากไม่อยากอะไรยังไงก็ตามเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผูกพันอยู่กับอดีตผูกพันอยู่กับอนาคตตรงนี้เนาะก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกข์กันก็ให้พวกเราเนี่ยได้ลองพิจารณากันบทสวดในตอนเช้าเช้าเนาะเนาะความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็เป็นทุกขนะ์เนาะความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ตรงนี้เนาะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ให้อาไว้ 2,600 ปีแ ล, แล้วแล้วก็ยังคงเป็นก็เรียกเป็นข้อสรุปที่ยังใช้ได้กับปัจจุบันอย่างเขาเรียกว่ายัางชัดเจนที่สุดเพราะนั้นนึนคือตรงเนี้นะก็ให้พวกเราได้ดูกันในขณะที่กรรมฐานของพวกเราเนี่ยก็มีคำเริ่มต้นที่บอกว่าเมื่อมีกายเคลื่อนไหวก็มีใจเอามาคอยรับรู้ตรงนี้เนี่ยก็ได้แยกเอาไว้เนาะเป็นกายแยกเอาไว้เป็นใจชีวิตของเราเนาะ ก็เป็นสิ่งที่เราเองก็ต้องเกี่ยวข้องกับกายกับใจของเราถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยได้ก็ เ, เรียกว่าได้ทำกรรมฐานผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าเมื่อมีกายเคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรู้เมื่อมีกายเคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรู้เนาะแบบว่าตรงนี้เนี่ยให้พวกเราได้สังเกตกันว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเนาะว่ามันมีผู้ที่ดูเนาะดู กายที่เคลื่อนไหวแล้วก็ดูว่าใจเนี่ยมาคอยรับรู้การเคลื่อนไหวของกายอันนี้หรือเปล่าตรงนี้เป็นคําสอนสําคัญเนาะที่เป็นที่สุดของเขาเรียกว่ากรรมฐานเนาะหลวงพ่อคำเฉียนก็จะพูดง่ายๆว่าให้เราเป็นผู้ดูอย่าเป็นผู้เป็นเนาะชีวิตของเราตลอดมาก็เขาเรียกว่าถูกความเป็นเนี่ยเข้าครอบงําเมื่อเราถูกความเป็นเขาครอบงํา เราเป็นอนุเราเป็นอันนี้เนาะเราเป็นความเจ็บเราเป็นความป่วยเราเป็นไหนกอเราเป็นนหนขอสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยก็ให้เราสังเกตว่าความเป็นตรงนั้นอ่ะทำให้เราเป็นทุกข์ทั้งหมดเนาะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนันคือตรงเนี้ยเมื่อเราเปลี่ยนสถานภาพเนาะจากการเขาเรียกว่าเป็นผู้เป็นมาเป็นผู้ดูเนี่ยตรงนี้เนี่ยพวกเราก็ลองสังเกตดูเนาะหลวงพ่อชาเคยพูดเอาไว้ว่า เวลาที่เขาขยายถนนเนี่ยเขาก็จะตัดต้นไม้เนาะตัดต้นไม้ข้างถนนเนี่ยออกเนาะอยาอ่อยางนั้นนี่ก็ถ้าเกิดว่าเขาขยายถน น, นหน้าบ้านเราเนี่ยเขาก็จะไล่ตัดถนนเนาะไล่ตัดต้นไม้เนี่ยตั้งแต่ก็เรียกว่าต้นถนนมาเรื่อยเรื่เรืยเรืเรต้นไม้ก็ล้มลงล้มลงล้มลงล้มล ง, ล ง, ลงเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่วันหนึ่งที่เขาขยายถนนมาถึงหน้าบ้านเราต้นไม้หน้าบ้านเรา ก็ถูกตัดล้มลงนะตรงนั้นหลวงพ่อชาก็บอกบอกว่าเอา้านี่ต้นไม้เราถูกล้มลงแล้วเนาะอย่างนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ให้พวกเราเนีได้ลองสังเกตนะความเป็นของเราเนี่ยการที่เราได้ดูต้นไม้ต้นอื่นนะถูกตัดไปเนาะเราก็จะรู้สึกอย่างหนึง่งแต่พอต้นไม้ของเราถูกตัดปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกอีกอย่างหนึง่งเพราะฉนั้นก็คือตรงนี้เนี่ยการเป็นผู้ดูหรือเป็นผู้เป็นก็เป็นอย่างนี้เนาะ การที่เราดูเนาะสิ่งอื่นเนาะวัตถุอื่นที่อยู่นอกนอกตัวไม่ใช่เป็นของเราเนี่ยเราก็อาจจะดูไม่ค่อยมีความทุกข์อะไรเท่าไหร่แต่อะไรก็ตามที่เป็นของเราเนี่ยตรงนั้นะเราจะมีความทุกข์มากกว่าแม้มันเป็นสิ่งเดียวกันก็ตามเพราะนั้นนึงคือตรงเนี้ยคำสอนของหลวงพ่อพมเกียนที่บอกว่าให้เป็นผู้ดูเนาะอย่าเป็นผู้เป็นเนี่ยก็จะหัดได้จากกรรมาฐานของเราหัดได้จากการกระทาของเรา ตา่าพวกเราเนี่ยได้ทำเนาะตามที่เขาเรียกว่าครูบาอาจารย์ได้บอกเนี่ยก็คือให้เราดูเนาะดูกายที่เคลื่อนไหวเนาะเอาใจเนี่ยมาคอยรับรู้ถ้าเราหัดตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นละหัดได้เขาเรียกว่าอย่างถูกต้องเนาะเราจะหัดได้อย่างถูกต้องได้ยังไงก็เมื่อเรามีสติเนาะคอยที่จะเอาเข้ามาเนาะเอาเข้ามาคอยรับรู้ตรงนี้ คอยดูมีสติเนาะคอยดูกายที่เคลื่อนไหวมีสติคอยดูใจที่มารับรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายตรงเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่จะมีสติเนี่ยมาคอยดูดูความเป็นไปของกายดูความเป็นไปของใจในขณะที่เราคอยดูความเป็นไปของกายดูความเป็นไปของใจวันแล้ววันเล่าเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะพบว่าเราจะมีความรู้มากขึ้นมากขึ้น เกี่ยวกับความเป็นไปของกายแล้วก็เกี่ยวกับความเป็นไปของใจตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเรายังไม่เคยมีความรู้จริงๆเกี่ยวกับกายนี้เกี่ยวกับใจนี้แต่พระกรรมฐานเนี่ยจะเริ่มต้นให้เราเนี่ยได้เริ่มนับหนึ่งหลวงพ่อก็มเขียนจะบอกบอกว่าให้เราเอาสติเป็นนักศึกษาเอากายเอาใจเป็นตารา เราจะพบว่าชีวิตของเราที่ผ่านมาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเราก็จะอาศัยตำราที่เรียกว่าเป็นหนังสือเนาะหรือว่าตำราที่เป็นคำบอกคำสอนของครูบาอาจารย์ตรงเนี้เราจะพบว่าเราเรียนเนาะเราก็มีความรู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเราจบการศึกษาเราก็สามารถที่จะประมวลความรู้ที่มีอยู่เนี่ยสำหรับการทำงานได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราเปลี่ยนใหม่เนาะ กรรมาฐานก็คือการที่เราเนี่ยเอาสติเป็นนักศึกษาเอากายเอาใจเป็นตำราตรงนี้เนี่ยเราจะมีตำราเล่มใหม่ที่เรียกว่ากายที่เรียกว่าใจเราจะดูกายก็ได้ดูใจก็ได้เนะาะนั้นในขณะที่บอกว่าดูกายเคลื่อนไหวเนาะเอาใจมาคอยรับรู้เนาะดูกายเคลื่อนไหวคอยดูใจที่คิดนึกตรงเนี้ยเนาะก็จะเป็นสิ่งที่ ก็จะมีผู้หนึ่งเนาะที่เป็นนักศึกษาคอยดูกายคอยดูใจดูไปทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยตรงนี้เนี่ยตำราอันนี้เนี่ยดูแรกๆก็อาจจะไม่เข้าใจเนาะอาจจะไม่เข้าใจว่าดูไปทําไมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้ชัดเจนกันไว้ก่อนสิ่งที่เรากําลังทําที่เรียกว่ากรรมฐานตรงนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยบอกเอาไว้ว่าถ้าหากว่าพวกเราปฏิบัติธรรม ตามนี้เนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกเราจะน้อยลง น, ะน้อยลงจนกระทั่งไม่มีทุกในที่สุดเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยพระเจ้าก็ยังยืนยันเนาะในบทสวดมนต์ที่เราเรียกว่าสัรเสริญพระธรรมเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยก็ เ, เรียกว่าปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเพราะนั้ น, นคือตรงนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเราเนี่ยคอยเอาสติเนี่ย สังเกตความเป็นไปของกายสังเกตความเป็นไปของใจแล้วเราก็รับรู้ผลสิ่งของสิ่งที่เราสังเกตตรงนั้นเนาะเหมือนกับเรากำลังมีความรู้ที่เราเนี่ยเอาไปใช้ทำกับข้าวกับปลาหรือว่าทำงานหาเงินหรืออะไรต่างๆนาน า, นาเราก็ได้ผลเป็นกับข้าวมากินได้รับผลเป็นเงินเดือนแต่ว่าตรงนี้เนี่ยของเราเนี่ยกรรมาฐานเราจะได้รับผลเป็นความไม่ทุกข์ หรือเป็นความทุกข์ที่น้อยลงเพราะฉะนันนึงคือตรงเนี้ยเนาะให้พวกเราได้สังเกตรตรงนี้เนี่ยว่าสังเกตที่ไหนคือสังเกตที่ใจเมื่อวานประจารย์ทรงศิล์ก็พูดถึงเนาะเรื่องใจที่เป็นบุญเรื่องใจที่เป็นบาปเนาะหรือว่าพูดถึงเรื่องใจที่เป็นอกุศลพูดถึงใจที่เป็นกุศลตรงนี้เนี่ยในขณะที่ใจเราเป็นกุศลหรือไม่เป็นหรือเป็นอกุศลเนี่ย ให้พวกเราได้สังเกตเนาะในขณะที่ใจเป็นกุศลใจเป็นบุญเนี่ยใจเราก็จะเขาเรียกว่าแจ่มใสเนาะแจ่มใสแต่ในขณะที่เป็นอกุศลเนาะใจเราก็จะหมองมัวหลวงพ่อชาพูดถึงเรื่องอใจที่เป็นอกุศลตรงเนี้ยอยู่คำหนึ่ง เมื่อกี้นึกออกนะตอนนี้นึกไม่ออกแล้วขออภัยนะแล้วก็ความจํามันก็ไม่เที่ยงก็แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยพวกเราเองก็คงจะได้เขาเรียกว่าได้เคยสัมผัสเนาะในขณะที่เราโปรดในขณะที่เราไม่พอใจในขณะที่เราไม่สบายกายไม่สบายใจอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่เราพูดถึงกันก็คือไม่สบายที่ใจเนาะ ใจที่เป็นปกติอยู่เนาะก็เกิดความไม่สบายขึ้นมาอาจจะเกิดความเดือดเนาะเขาเรียกว่าเดือดร้อนใจขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยก็คือสิ่งที่เราตรวจวัดกันในขณะที่เราเนาะคอยดูความเป็นไปของกายคอยดูความเป็นไปของใจผ่านสติเนี่ยเราก็จะพบว่าใจเราเนี่ยก็มีสภาวะที่เป็นปกติก็มีเดี๋ยวมันเดือดมันร้อนก็มีตรงเนี้ยเนาะว่าในขณะที่มันเดือดมันร้อนเนี่ย เกิดอะไรขึ้นหรือว่าในขณะที่มันเป็นปกติเนี่ยเป็นเพราะอะไรนีให้พวกเราได้สังเกตดูในขณะที่กรรมฐานของเราผ่านสิ่งที่เราเรียกว่ามีกายที่เคลื่อนไหวมีใจเอามาคอยรับรู้เนี่ยในขณะที่ใจที่มาคอยรับรู้ความเคลื่อนไหวของกายเนี่ยให้เราสังเกตเนาะปฏิกิริยาที่เกิดกับใจหรือว่าในขณะที่กายที่เคลื่อนไหวเนี่ยใจเนี่ยก็หลงไปอยู่กับความคิดนึกเนี่ย ก็ให้พวกเราได้สังเกตเนาะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในใจตอนนั้นนั้นัก็คือตรงเนี้ยถ้าหากว่าพวกเราได้คอยสังเกตตรงนี้เราจะพบว่าการที่ใจเนาะมาคอยรับรู้ความเคลื่อนไหวของกายเนี่ยตรงนั้นสภาวะนั้นใจจะเป็นปกติแต่เมื่อไหร่ใจเนี่ยที่หลงไปคิดเนี่ยเนาะตรงนั้นอ่ะใจเราก็จะเกิดเขาเรียกว่าความเดือดเนื้อร้อนใจขึ้นมา ผมเพิ่มเขียนจะแยกเอาไว้นะว่าความคิดของเราเนี่ยมีอยู่สองส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือก็เรียกว่าความลักคิดหรือสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดแต่มันคิดไปเองแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือความตั้งใจคิดตรงนี้ให้พวกเราได้สังเกตกันในขณะที่เรากำลังตั้งใจเนาะทำกรรมฐานอยู่เนี่ยในขณะที่เรากำลังตั้งใจทำกรรมฐานอยู่ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือใจเราเนี่ยก็ควรจะมาอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวแต่ทานองเดียวกันเนาะหลวงประเทียนก็จะบอกเอาไว้บอกว่าในขณะที่เราเนาะมีการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราเผลอไปคิดเนี่ยก็ให้กลับมาก่อนถ้าเราเผลอไปคิดก็ให้กลับมาก่อนนั่นนั่นคือตรงเนี้ยมันจะมีสิ่งหนึ่งก็คือในขณะที่มีกายที่เคลื่อนไหวเนาะเอาใจมาคอยรับรู้เนี่ยเราก็จะได้เห็นเนะาะว่า ในขณะที่เรากําลังพยายามที่จะรับรู้ความเคลื่อนไหวของกายมันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าเผลอไปคิดเผลอไปคิดตรงนั้นอะสิ่งนี้หลวงพ่อเขียนจะบอกมากๆนั่นคือเขาเรียกว่าความคิดที่ไม่ตั้งใจแล้วเราก็ให้พวกเราเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้หัดตรงนี้กันเพราะว่าวันวันหนึน่งคนเราเนี่ยจะมีความคิดเกิดขึ้นประมาณ6 0,000 ครั้ง อันนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยเนาะเป็นงานวิจัยของอคนตะวันตกที่เขาวิจัยเอาไว้ยืนยันได้ว่าไม่น้อยไปกว่านี้แน่นอนในห0 0 0ืครั้งเนี่ยก็ให้พวกเราได้ลองทบทวนดูนะว่ามันจะเป็นความตั้งใจคิดเนี่ยสักกี่ครั้งนเนาะหรือว่าในความตั้งใจคิดอนั้นอนะเป็นความตั้งใจคิดที่ดีเนาะสักกี่ครั้งหรือเป็นความตั้งใจคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยสักกี่ครั้ง ท้ายี่สุดเนี่ยเราก็เองก็อาจจะสรุปเนาะรวมๆว่าวันหนึ่งเราอาจจะตั้งใจคิดดีๆสักเอา้าให้ไป500ครั้งอย่างเงี้ยเนาะอย่นั้นห้าครั้งเทียบกับ6 0,000 ครั้งก็เทียบกันไม่ได้สแสดงว่านั่นคืออีก5้า0 0ครั้ง5้า0 0 500ครั้งเนาะก็เป็นความคิดที่ไม่ตั้งใจทั้งหมดเพราะนั่นนั่นคือตรงเนี้ยคำแนะนําของหลวงพเทียนที่บอกว่ารู้ว่าคิดก็กลับมาก่อนรู้ว่าคิดก็กลับมาก่อนตรงเนี้ย ให้เชื่อหลวงพ่อเทียนเถอพะพ่อมานั่นคือเกือบทั้งหมดเนะาะเกือบร้อยเซนเี่ยเป็นความคิดที่ไม่ตั้งใจทั้งหมดเลยและความคิดที่ไม่ตั้งใจทั้งหมดเนี่ยจะนำมาซึ่งความไม่สบายกายนำมาซึ่งความไม่สบายใจนั่นก็คือตรงเนี้ยเนาะก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้ตั้งใจนะเขาเรียกว่าได้ตั้งใจทากรรมฐานอันนี้กันกรรมฐานอันเนี้ยเนาะจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าติดเป็นนิสัยของเรา ถ้าหากว่าพวกเราสร้างเนาะนิสัยใหม่การกระทำเนาะที่เป็นการกระทาที่ว่าเมื่อไหร่เนาะมีกายเคลื่อนไหวเนาะเมื่อท่านก็เอาใจมาคอยรับรู้ให้เราสร้างการกระทาที่เราเรียกว่าเอาสติเป็นนักศึกษาเอากายเอาใจเนี่ยเป็นตำาถ้าหากว่าเราสร้างนิสัยนี้ได้เนี่ยเราจะมีข้อมูลเนาะที่เกี่ยวกับกายเรามีข้อมูลที่เกี่ยวกับใจเราที่ถูกต้อง เมื่อไหร่ที่เรานะเนาะเาเรียกว่าเห็นนะความเป็นไปของกายเราเห็นความเป็นไปของใจเราที่ถูกต้องเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกเนาะความเห็นถูกตรงนี้จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยดำเนินไปอย่างที่ทุกน้อยลงหลวงพ่อํำเกียรมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งที่ชื่ออาจารย์กำพลเนาะอาจารย์กำพลเนี่ยก็ พอรู้จักวิธีทำกรรมฐานจากหลวงพ่อเนี่ยก็คือเอากายเคลื่อนไหวเนี่ยเอาใจมาคอยรับรู้เนี่ยอาจารย์กมพลเป็นคนพิการเนาะที่เรียกว่าเป็นอมภารเพราะนั้นนั้นคือการสร้างความเคลื่อนไหวของความของคนเป็นอมภารเนี่ยก็เรียกว่าเป็นความยุ่งยากมากๆเลยแต่ว่าอาจารย์กมพลก็ด้วยความเรียกว่าเชื่อมั่นเนาะในสิ่งที่หลวงพ่อคำเขียนบอกว่า ขอให้ชีวิตเราเนี่ยเป็นเพียงแค่มีลมหายใจอยู่เนี่ยก็สามารถทำกรรมฐานได้แล้วเพราะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยอาจารย์กัมพลที่หมดหวังกับชีวิตที่เป็นอรรมพาสของตัวเองแล้วเนี่ยเนาะก็ได้ลองทำดูปรากฏว่าหลังจากที่อาจารย์กัมพลเนี่ยได้คอยเฝ้าดูความเป็นไปของกายเฝ้าดูความเป็นไปของใจผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าเนาะไม่ใช่เราเรียกหลวงพ่อกำเยนเรียกแบบว่า สติเป็นนักศึกษาเอากายเอาใจเป็นตำราเนี่ยปรากฏว่าคนที่เป็นอมาพ่าตเนี่ยอาจจะไม่รู้จักการปวดอึไม่รู้จักการปวดฉีอาจจะฉีแล้วฉีเทอรเนาะหรือว่าอึ ก, ก็เหมือนกันแต่ว่าปรากฏว่าอาจารย์กมพลเนี่ยได้สังเกตเนาะความเป็นไปในร่างกายบอกว่าเออก่อนที่เราจะฉีเนี่ยเส้นเลือดเนาะบางเส้นเนี่ยมันจะมีการเต้น เนาะที่ผิดปกติไปปรากฏว่าพอมองความเป็นไปตรงนี้บ่อยๆมองความเป็นไปตรงนี้บ่อยๆเชื่อมโยงกับปฏิกิริยาของการฉีเนี่ยก็ปรากฏว่าอาจารย์กมพลก็สามารถเนาะที่จะช่วยตัวเองเนาะทำให้การชีเนี่ยไม่เลอะเทอะต่อไปก็สามารถที่จะใช้ก็เรียกว่าอ่าก็เรียกว่าอุปกรณ์ในการช่วยฉี่ไม่เลอะเอทอะทํานองเดียวกันอาจารย์กมพลก็พบว่าอืม ในขณะที่การขับถ่ายก็เหมือนกันก็มีเส้นเลือดอีกเส้นหนึ่งที่เขาไหวตัวผิดปกติขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าท้ายที่สุดเนี่ยอาจารย์ของอ้นก็สามารถบอกคนอื่นว่าตอนนี้ปวดอืดนนะ้ำผาเข้าห้องน้ำหน่อยวันนั้น น, นั่คือตรงเนี้ยนี่คือเราเนี่ยได้เคยสังเกตความเป็นไปของกายเคยสังเกตความเป็นไปของใจแบบนี้กันหรือเปล่าอะไรเงี้ย การสังเกตตรงนี้ก็เรียกว่ามีผลที่ยิ่งใหญ่ผลที่ยิ่งใหญ่ตรงนี้ก็คือเราไม่ทุกข์และคนอื่นไม่ทุกข์ในเวลาเดียวกันเพราะนั่นนั่นคือตรงเนี้เนาะากรรมฐานที่พวกเรากําลังทําอยู่เพียงแค่นี้เองเนา ะ, นะดูกายเคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรู้แต่ว่าสิ่งที่มากกว่านั้นก็คือเราจะมีสติเป็นนักศึกษามีกายมีใจเป็นตาําราแล้วเราจะรู้ความเป็นไปของกายรู้ความเป็นไปของใจ อย่างดีขึ้นแล้วก็ตรงนี้ละ่ะจะเป็นสิ่งที่หลวงพ่อเขียนบอกว่านี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าความรับผิดชอบตัวเองถ้าเรารับผิดชอบตัวเองได้เนี่ยเราจะเอากายนี้เราจะเอาใจนี้เนี่ยทำแต่คุณงามความดีแล้วเราเองเราก็จะเกิดมาเพื่อทำคุณงามความดีแล้วก็สิ่งนี้ละ่ะก็จะเป็นสิ่งที่จะเป็นการตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ก็ได้จะเป็นการช่วยเหลือสังคมก็ได้ จะเป็นการช่วยเหลือโลกนี้ก็ได้จะเป็นอะไรอะไรก็ได้ทั้งหมดผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัวผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าดูกายเคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรู้และนี่คือสิ่งที่เป็นกรรมฐานเนาะที่ยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้มอบเอาไปให้แล้วก็อยากให้พวกเราทุกคนในที่นี้เนี่ยได้พยายามเนาะพยายามทํากันให้เรามีนิสัยใหม่นิสัยในการที่เราเนี่ย จะวางทุกออกจากตัวนิสัยที่เดิมที่เราเคยมีอยู่ก็คือนิสัยหาทุกใสตัวเนี่ยก็จะถูกเขาเรียกว่าละเลยไปเราก็จะทำกรรมทุกอย่างเนี่ยจะเป็นกรรมที่เป็นกุศลและกรรมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นไปเพื่อการทำกุญงามความดีสมกับที่พวกเราเนี่ยได้เกิดมาเป็นคนในโลกนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้อาศัยความเพียรอันนี้เนี่ย ไปถึงจุดหมายที่พระเจ้าเนี่ยได้วางเอาไว้ก็คือความไม่มีทุกข์ในที่สุดของตัวทุกคนก่<ม>อพวกเรากนับพระพร้อมกัน